อนาปติวนันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ714 1. ิภิกษุณียังไม่ถูกสวดสมณุภา 2. พสองภิกษุณียอมสละ 3. ภิกษุณีวิกลจริต 4. ภิกษุณีต้นบัญญัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่7จบ